ออองต้้เรใใ า, าใจเด้ไปสูสเ า, เ า, เามาเข้าสู่ช่วงเคสตี้วันนี้เป็นเคสที่907 ลูกเข้าวัดครั้งแรกในงานหลา่ารูปเหมือนทังคำหลวงปู่เมื่อปี2 5 3หสโดยการจักชวนของน้องสาวคนที่สีปัจจุบันลูกติดดีนมาได้ครบปีแล้วค่ะลูกชอบฟังเรื่องกฎแห่งกรรมที่คุณครูไม่ใหญ่ตอบคำถามในเคสสรติศีมากและก่อนที่จะได้มาเรียนรู้ความจริงของชีวิตลูกไม่เข้าใจเลยว่า คนที่ตั้งใจทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตจะทำไมทำไมถึงต้องมาประสบเคราะห์ร้ายและตายอย่างทุกข์สรมานยิ่งนึกถึงภาพเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับครอบครัวลูกเมื่อสามสิทปีก่อนลูกยากที่จะรับได้เพราะตลอดทีิตที่ผ่านมาคงไม่มีความสูญเสียครั้งใดนะจะยิ่งใหญ่ไปกว่าครั้งนั้นอีกแล้ว โดยจึงของนำเรื่องดังกล่าวพวระกาบขอความเมตตากรุณาใหญ่ได้ฝันในฝันดังนี้นค่ะลูกเป็นลูกสาวคนโตในจำนวนพี่น้องเจ็ดคนพ่อของลูกประยบจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาเมืองไทยตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีโดยหลบซ่อนใต้ท้องเรือน่มาขึ้นท้าบริเวณภาคเหนือนับจากนั้นมาพ่อก็สู่ชีวิตมาโดยตลอดเริ่มจากอาชีพจับกังกข่าแรงถูก ทำงานอาบเหงื่อต่างนำ น, นา น, นับสิบปีเพราะชีวิตจับกางนั้นทั้งหนักเหนื่อยแล้วก็ลำบากรวมทั้งหิวมากด้วยค่ะตามมาจึงลาออกจากการเป็นจับกางมาเป็นลูกจ้างทำทองก ร, รู ป, ปภณัณฑ์ในโรงงานย่านฝั่งทนขปมนไปนด้วยบุเพสันนิวาสติชาติปางกรขณะที่พ่ อ, อยุเข้าสาสสองปี ที่ได้มาพบรักกับแม่งลูกซึ่งยังเป็นสาววัยรุ่นอายุเพียงส6บหกปีโอทำไมก็แต่งงานกันเร็วจังเลยเนะแม้จะต่างวัยถึงส6บหปีแต่นั่นก็ยังไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าการที่พ่อถูกสประมาดมาเป็นคนจนไม่คู่คนกับลูกสาวเท่าแก่ร้านทองเราคุณแม่งรู้ทั้งสาวทั้งสวยทั้งเก่งคนตาจิงหวงมา ท่านยังแกล้งเรียกค่าสินสอดสูงถึงห้าหมืนบาทห้า0มืนบาทสมัยนั้นพระรู้ว่าต่อยพ่อถึงมาเป็นปีๆก็เขาไม่ไม่มีปัญญาเก็บเงินจำนวนมากขนาดนี้ได้แต่พ่อไม่ละความพยายามรักษสยอย่างก็สู้อดทนทำงานหนักแถนยังยอมเป็นหนี้เจ้านายด้วยความสมัครใจในสุดก็มีเงินค่าสินอสอดครบตามจานวน แต่ถึงอย่างไรคณตาท่านก็นยังเซโนโท่าเดียวตกลงสมหวังไหมเช้านี่สมจนร้อนถึงเจ้านายพ่อต้องออกหน้าเจรจาให้สุดท้ายตาถึงจำใจต้องยกลูกสาวให้อย่างเสียไม่ได้ี่านมันก็แต่งงานกันเร็วอย่างเลยเนาะสิบหปีหลังแต่างงานได้มีกี่วัน ยังอยู่ในช่วงข้าวใหม่ปลามันพอกับพ่แม่ย้ายไปเช่าบ้านไม้กระกราวอยู่ตามลำพังแม้จะเป็นห้องเดียวแคบๆแต่ก็อบอุน่นในสายใยแห่งรักพ่อกับแม่ช่วยกันทำ ง, งานอย่างขันแข็งเคอยใช้หนี้คืนเจ้านายพ่อจะเป็นเซ็นเป็นเซ ล, ข, เเซลขายทองที่สุดแสนจะประหยัด เก็บเง้นทักง า, งาสทุกสตาร์มาสร้างอนาคตให้บกับครอบครัวแม่ก็ซื้อจากเย็บผ้ามารับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้านี<ม>่ลูกสาวเธแก่ร้านทองนะมแม้ว่าพ่อแม่จะเริ่มต้นชีวิตแบบลำบาก<ม>แค่แต่แค่พ่อเนี่ยขอมีแม่อยู่กับพ่อตลอดไปแค่นั้นแต่สายที่แม่มีหัวทางค้าขาย พอเริ่มมีลูกคนที่สองจึงยา้ายไปเส้งที่ใหม่เปิดเป็นร้านโชว์หวยจนขายดิบขายดีฐานะก็ดีขึ้นในที่สุดก็หมดหนี้และมีบ้านเป็นของตนเองแม่แเป็นคนขยันใจดีรักความสะอาดมากชอบทำบุญใส่บาตรพูดไพเราะและห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบโ<ฮ>อ้ขึ้นจะตอไปฟันนัานจะสวยนะ จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาแม่สอนแม่จ่ท่าเดินท่านั่งให้นั่งตัวตรงส ง, ง่าผ่าเผยจะไปนั่งหลังนอทางข้าก็ห้ามเคีย้ยวเสียงดังไม่ต้องบอกความอร่อยให้อร่อยเองไม่ต้องเอาใจจับภาพเคีย้ยวสดัง ส, ด, สดังสุดน แม่แต่งท้าปีละคนหกปีก็หกคนแล้วก็เว้นรักหกปีถึงได้มีน้องคนสุดท้องเป็นลูกหลงมาอีกคนหนึ่งแต่เราเวลาที่ใช้ชีวิตรวมกันมันนานเกือบสิบสองปีจนมีลูกได้เจ็ดคนแต่ความรักที่พ่อกับแม่มีให้กันไม่เคยจืดจางเลยมีแต่หวานชื่นมื่นทุกคืนวันในวันหยุด ลูกลูกจะได้เห็นพ่อกับแม่นั่งกอดกันแย่กันไปมาหนุมกับนิงจุ๋งจิงเมือนหนุ่มสาวที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆลูกรู้สึกเลยว่าครอบครัวเราน่ะอบอุ่นมากค่ะเพราะความรักของพ่อกับแม่นั้นใหม่เสมอไม่เคยเก่าเลยค่ะรักสองเราไม่เก่าเลยผมเธอยังเอามาใส่ใหม่ได้ ใส่ผมเสริมของสาวนักาทิน่าผมเธอไม่เก่าเลย <laughs> แต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าสรดใจก็มาเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราโดยที่ไม่มี ใ, ใครคาดคิดมาก่อนขณะนั้นลูกนะ่ะอายุสิบสองขวบบ้านลูกเป็นบ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้หลังที่สี่ในจำนวนห้องแถวสิบครัวหาหลังบ้าน ห่างจากโรงงานทำรองเท้าเพียงเมตรเดียวได้คืนมาสุกรเกิดเหตุมีลูกค้าโทรมาสั่งของด่วนพอจึงออกไปส่งของที่ต่างจังหวัดตั้งแต่หนึ่งทุ่มของคืนนั้นแต่แล้วี่คือวันเสาวประมาณตีหนึ่งจู่ๆแม่ของเด็กรับใช้ก็ร้องตะโกนมาจากด้านหลังบ้านว่าไฟไหม้ไฟไหม้ถูกต้องอยาแม่สะดุ้งตื่นทันที พอได้สติแม่ก็ได้วิ่งจากห้องนอนด้านหน้ามาปลุกลูกและน้องๆจะนอนรวมกันอยู่ในห้องกลางนะแม่ใส่ลูกพาทัน้องไปฝากไว้ที่บ้านตรงข้ามลู ก, กรีบจูงไม้จงมือน้องทั้งหคนวิ่งข้ามถนนตามกันออกมาอย่าลืมพี่อายุสิองขวบนะจ๊ะแล้วก็รีบกลับมาช่วยแม่ดับไฟโดยสาดนั้นจากชั้นล่างกันไปบนชั้นบนนะเด็ก12บสอขวบสาดข้างขึ้นไปชั้นบนไป่ใชเรื่องธรรมดานนะ แต่ลูกกดว่ายยิ่งราดน้ำไฟกับลูกโหมยิ่งกว่าเดิมแม่ก็เลยเปลี่ยนไาใช้กระสอบข้าวสารชุบน้ำแล้วขึ้นไปตบที่ข้างกำแพงแต่ไฟก็ยังลามไม่ท่วมถึงหลังคาจนสุดที่จะต้านไม่ได้ทำได้แต่เพียงขนของออกไปไว้นอกบ้านใ้เดีมาที่สุดลูกควา้าทีวี ว่าจะเกลี้ยผ้าได้สิบสองขวบนะรีบยกมาได้ยัางงงงงนั่นที่จักนั้นหนักมากขนาดสองคนยังยกไม่ไหวลูกอายุสิบสองขวบยกมันแสดงคนเรามีพลังภายในเหลือเฟือขณะที่กําลังวิ่งร่อนลานอยู่นั่นเองแม่ก็หามาถามลูกว่าน้องอยู่ไหนอยลืมน้ําแม่จะพูดคให้เระแม้ไฟไหม น้องอยู่ไหนจ๊ะถึงแม่หมายถึงน้องก็ศลทองสื้อยุ้เพียงสี่เดือนลูกก็ตอบว่าก็น้องนอนอยู่กับแม่นี่สงสัยยังอยู่ข้างบนมั้งพอพูดจบตะนั้นแม่ก็ทำตาลอยเหมือนเบลเบเดินวนไปวนมาสองสามรอบจนลูกแปลกใจรีบทักขึ้นมาว่าอ้าแม่เป็นอะไรเนี่ยไหนว้าจะขึ้นไปอุ้มน้องไง แม่กลับได้สติรีบวิ่งกัไปหาน้องที่ชั้นบนทันทีโดยลืมไปสนิทว่าแม่ได้สั่งให้แม่ของคนใช้อุ้มน้องคนเล็กออกไปตั้งแต่แรกแล้วอสั่งไปแล้ว<อ>ลืมหลังจาไฟไหม้ไปได้ครูใหญ่รถดับเพลิงก็มาถึงที่เกิดเหตุแต่แทนที่เจ้าหน้าที่จะรีบฉีดน้ำนํำทันทีนี่อ่านตามที่เขาว่านะจ๊ะ<อ>เขากลับถามลูกว่าหนูตอนนี้ติดสองขวดนะ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงถามหนูถ้าจะให้ฉีดน้ำดับเพลิงคิดกระบอกละห้ามือห้ามื่นบาทนะลูกคิดในใจว่าโหแพงจังอเอาไปห้าบาทได้ไหมแล้วแม่จะมีปัญญาจ่ายไหมนี่ดูสิเจ้าหน้าที่ทำไมอย่างนี้แหละ กระ บ, บอกละห้ามื่นบาทไปซ้ําเติมเพื่อนมนุษย์ที่เขาโดนไฟไหม้อยู่แล้วจะเอาห้ามืนก็ยกบ้านให้ทั้งหลังรลยทั้งหมดเลยพอลูกไปตอบเขาก็เลยไปฉีดน้ำให้บ้านหลังถัดไปนะก็คงไม่ได้ห้าหมื่นหลังถัดไปลูกนึกขึ้นได้ว่าแม่ยังอยู่ชั้นบนพยายามตะโกนอะไรก็ไม่ได้ยินเสียงตอบจากแม่เลย สักาักนตำรวจก็เข้ามาดึงตัวลูกขึ้นรถตำรวจบอกว่าจะพาไปสอบสวนที่โรงพักนะครับอีกโทษฐานที่เป็นบ้านต้นเพลิงพาเด็ก12ขวบไปขณะที่ตำรวจคว้าแขนลูกขึ้นรถลูกพยายามจะเงยมองหาแม่แล้วก็ได้เห็นว่าแม่ยืนหันหลังให้อยู่บริเวณห้องนอนชั้นบนลูกจึงร้องบอกตำรวจแลน้นไงแม่หนูอยู่ข้างบนตำรวจจึงรีบกหันไปดูแต่ตำรวจไม่เห็นร่างของแม่ เห็นแต่เพียงเปลวไฟลุกใหม่หลังคาสังกะสีตกลงมาในห้องลูกถูกตารวจเคกศีรษะอย่างแรลงอีกโหาว่าเป็นจะ็กโกหกบ้านถูกไฟไหม้โดยเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงเรียกห้าหมื่นโดนตํารวจเคสขู่อีกทีหนึงหลังจากถูกสอบสวนอยู่พักใหญ่พอตอนเชา้าลูกก็ถูกปล่อยตัวมาพอทราบข่าวภายหลังว่าแม่เสียชีวิตแล้วในกองเพลิงแรงระเบิดในถังแก๊สทำให้ชิ้นส่วนอวัยวะของแม่กระเด็นกระจ า, กกะจาย ลูกเสียใจมากจะร้องไห้ฟูมฟายจนตาบวมแล้วใครจะรับผิดชอบนี่ชาวัอาทิตย์ลูกเดินออกมานอกซอยสวยกับพ่อสิงคขีมอเตอร์ไซค์กลับมาจากต่างจังหวัดพ่อร้องไห้อย่างเลื่อนลอยลูกเรียกพ่อพ่อยังไม่ได้ยินเลยพ่อรีบไปรอรับศพแม่ที่สถาบันนิติเวชอย่าลืมพ่อกับแม่รักกันมากนะจ๊ะพอเห็นล่าตัวแม่สิงถูกไฟไหม้จนเกรียมเท่านั้น พรีบตร้องก็ไปกอดไว้แน่นร้องไห้ภูมิฝ่ายพร่ำลำพังว่าอี่แต่พ่ออยู่ด้วยพอรับรองว่าแม่จะต้องปลอดภัยลูกเห็นแล้วก็ยิ่งสงสารจับใจเนะี่ยเพราะว่าแม่นั้นเป็นสุดยอดหัวใจของคุณพ่อกะกอดไปคุณพ่อก็ร้องนำพึงไว้หลังจาแม่เสียชีวิตไปได้สามวันขณะทีล่ลูกกาลังนอนครึ่งหลับครึ่งตืน่นก็เห็นแม่มายืนอยู่ที่บันไดพูดกับลูกว่า ลูกแม่ฟังดูแลน้องให้ดีด้วยลูกทั้งสันน่นทั้นกลัวละลำละลักตอบแม่ไปว่าแม่ไม่ต้องห่วงหนูจะดูแลน้องทุกคนอย่างดีแม่แม่จะไปไหนก็ไปเถอะลูกกลัวพอลูกพูดจบแม่กลัวลูกกลัวแม่กระจากไปทันทีโดยที่ไม่เคยไม้เห็นอีกเลยค่ะจากนั้นมาลูกก็ ตั้งใจดูแลน้องๆตามที่บอกกับแม่ไว้ค่ะแม่แฉเพื่อแม่หลังจากผ่านพ้นงานสศกของแม่ไปแล้วพ่อพาลูกๆย้ายวิอยู่กับตายายแล้วนานนต้องลำบากหยิบยืมเงินคนน้องคนนี้หลายแสนบาทจนเขาไม่กล้า ย, ยืมเพราะกลัวพ่อไม่มีปัญญา จ, จ่ายคืนแต่เพราะพ่อเป็นคนขยันหนักเอาเบาสู้ เพียงสองปีก็สา ม, มารถรวบรวมเงินสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จตมาปี2532พ่อประสบอุบัติเหตุรถชนเข้ากับสอยฟ้าอย่างจังถูกกระจกหน้ารถทิม่มจนหน้าเละมีอรอยแผลเป็นเต็มหน้าสามปีตมาพ่อกำตังเกาห้องไอซียูถึงสามครั้งเดือโรคร้ายต่างๆปรมหม่าทั้งความดันสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคปอด ตอนนั้นยังไม่พอวันหนึ่งพ่อไปเอกเส์สมองพอกลับมาคืนนั้นพอ่อกลายปเป็นชายนิทราทันทีตั้งแที่ตอนเข็นรถกล้าไปในห้องเอกเรตพ่อยังคุยเรื่องงานกับน้องชายอยู่เลยอาการพ่อทรุดลงเรื่อยๆลูกและสามีได้มีโอกาสไปเยี่ยมพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนวันพ่อเพียงวันเดียวแต่แล้วชาวันงคลืนจึงกับวันพอ่อวันพ่อ ลูกก็ได้รับทราบข่าวร้ายว่าพ่อเสียชีวิตแล้วตั้งแต่ตอนตีสองของคืนวานลูกเสียใจมากจะเคยไปกราบพ่อแล้วก็ทำบุญอุทิพย์ไปให้ท่านค่ะแม่ทำกําไใดมาจึงต้องมาถูกไฟคลอกตายอย่างทรมานทั้งที่เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบทำบุญสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแล้วก็ไม่เคยทำบาปฆ่าสัตว์หรือผิดศีลใดๆเลยค่ะมันก็น่าศึกษานจ้ะ ทำไ ม, ำไมถึงเป็นอย่างนี้ลูกอยากทราบว่าจริงๆแล้วต้นเพลิงนั้นเกิดจากสาเหตุใดกันแน่คะแม่รักลูกๆมากถึงขนาดยอมสละชีวิตตนเองเพื่อไปช่วยน้องคนเล็กแม่ทําอย่างนี้จะได้บุญบ้างหรือไม่อย่างไรคะขณะเกิดเหตุลูกพยายามเรียกหาแม่แต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ไปตามหาแต่ก็ไม่พบจะพอขึ้นออรถตํารวจลูกกลับมองเห็นแม่อยู่ชั้นบน แต่ขณะที่ตำรวจมองไม่เห็นหาวลูกโกหกไม่ทราบว่าตอนนั้นแม่หายไปไหนลูกเห็นจริงหรือว่าตาฝาดไปเองคะ่ะ <c oughs> เอาเรื่องเงินนะ <c oughs> หลังแม่เสียชีวิตได้สามวันลูกก็ น, น่าฝันตรงกันว่าแม่มาในชุดนอสีฟ้าที่ใส่ในคริ่งกเทศแม่มาหาพวกเราจริงๆหรือคะ <c oughs> ที่จะบ้านเลยกันว่าตกดึกจะเห็นแม่มักฝาด ข, ข, ขยะหน้าบ้านนั้นจริงหรือไม่ พ่อเคยไปเฝ้ า, ารอพบแม่จนถึงเช้าอยู่หลายวันจะทำไมแม่ถึงไม่เคยมาหาให้พ่อเห็นเลยคะก่อนเสียชีวิตแม่นึกถึงอะไรคะเจ็บปวดทรมานมากไหมแม่ตายแล้วไปไหนท่านได้รับบุญที่ลูกๆอุทิศไปให้อะไรอยังคะมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกๆไหมคะพ่อจากบ้านตั้งแต่เป็นวัยรุ่นต่อสู้ชีวิตด้วยลแข้งันเอง และทำงานหนักมาตลอดชีวิตเป็นเพราะมีวิบากกรรมใดครับพ่อถูกกระจกรถทิม่มจนหน้าและป่วยเข้า ICU ถึงสครั้งและในสุดก็กลายเป็นาชาตินิทราเป็นเพราะวิบากกรรมใดช่วง6กปีหลังก็ต้องเข้าห้องน้ำทุกชั่วโมงจนพ่อหงุดหงิดใจเป็นเพราะมีเศษกรรมใดหรือคะคืนแรกแต่พ่อมีการนิทราลูกยังไม่ทันทราบข่าวแต่กลับฝันเห็นพ่อมาเย็นจ้องมองลูกอยู่ตรงหัวเตียง เป็นพ่อปั ญ, ญาภพจากคร่างแล้วมาหาลูกใช่ไหมพอคืนเดียวกันนั้นก็มีเพื่อนบ้านเห็นพ่อมานั่งอยู่หน้าบ้านเช่นกั น, กนทําไมคืนสุดท้ายที่ลูกและสามีไปเยี่ยมพ่อลูกเห็นพ่อสะบัดแขนและขยับขา ง, งอเข่าได้แต่ยังหันหน้าเอียงมาทางลูกแต่คนอื่นทังจ้องมองพ่อตลอดเวลาเช่นกัน <c oughs> ก็ บ, บอกว่าไม่เห็นอะไรเลยทําให้ลูกและสามีง ง, งมากอยาทราบว่าพ่อเคลื่อนไหวได้จริงๆหรือไม่คะ เมีว่าตอนนันวิญญาพ่อกลับมาเข้าร่างแล้วตลอดสิบวันที่พ่อมีไสติพ่อหายไปไหนเป็นอยู่อย่างไรคะในวาระสุดท้ายพ่อมีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนพ่อได้ไปอยู่ร่วมกับแม่หรือไม่คะพ่อกับแม่มีการร่วมกันมาหรือไม่เหตุใดก่อนตายจึงทรมานคล้ายกันพ่อกับแม่เป็นลูกกันยูมาก ท่านทั้งสองจะส่งเงินให้พ่อแม่และส่งสี น, งน้องๆตลอดบุญนี้จะมีอะไรส่์อย่างไรคะเพราะเหตุใดบุญที่พ่อและแม่ทําเองและลูกหลานทําให้จึงยังไม่อาจจัดรอนวิบากกรรมท่านทั้งสองได้เลยคะแล้วน้องสาวคนที่สี่เคยทราบเรมีกรมูคณะมาอย่างไรคะจ<ำ>ําเรื่องราวและคําถามได้ไหมจ๊ะยาได้ หลับตาฝัน ม, มันตร้มตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังบินิยายปารามปรากันใช่ไแม่ถูกไฟคลากตาอย่างทรมานทั้งๆที่เป็นคนเอื้อเฟื้อเผือผ่อแผ่ชอบทาบุญสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแล้วก็ไม่เคยทำบาปผิดศีล ใ, ใดๆเลยนั้นแม่เนะ่ะไปสมกับกรรมดีในปัจจุบัน แต่สมกับกรรมในอดีตคือปัจจุบันนี้ก็ทำความดีแต่นี่มันเป็นเหตุจากใ น, นอดีตมาเรื่องกฎแห่งกรรมมีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นเลจะทำให้เราทราบเรื่องเหตุเรื่องบนุเนี่ยเราจะได้ไม่เหมายกให้เทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งไป่าเป็นบททดสอบบททดลองหรือเป็นความประสงค์อะไรต่าง แม่เป็นสมกกรรมดีในปัจจุบันแต่สง ก, กรรมในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้ น, นแม่นมีสามีสามีแต่มีปริยา น, น้อยจึงทำให้ตนเองแค้นใจใจี่สามคนไปเผาบ้านที่สามีสร้างให้ปริยา น, น้อยจนทำให้ปริยา น, น้อยถูกไฟครอบตายแล้วก็ในชาตินั้นเองประทาบุญคราดายกระติษฐานว่า ชาติต่อไปอย่าได้มีสามีเจ้าชู้อย่างนี้อีกเลยแต่ใ น, นชาติหลังๆจึงได้มีสามีไม่เจ้าชู้คือสามีในปัจจุบันนี้นั่นเองติดต่อกันมาหลายชาติสามีเจ้าชู้คนนั้นคนละคนกับสามีคนปัจจุบันนะเจ้า <S S S S S คือประชาตินั้นเราไปทำบุญแลกอัติฐานก็จะได้มีสามีเจ้าชู้อีกเลยบุญก็ส่งผลให้ต่อมามีสามีคนใหม่ที่ไม่เจ้าชู้เนติดต่อกันมาหลายชาติ แต่ก็ถูกไฟครอกตายมาหลายชาติแล้วเจ้า<อ>ต้นเพลิงก็จะไฟฟ้ารัดวงจรเจ้าคนเราเนี่เปลี่ยนคู่กันเรื่อยๆนะจัดนั้นเป็นคู่ก้นนี้จัดนี้เป็นคู่คนนั้นโบดชดีกว่างี้แม่รักลูกมากๆถึงขนาดยอสลยชีวิตตนเองเพื่อขึ้นไปช่วยชีวิตลูกคนเล็กนั้น ก็เป็นเรื่องความรักของแม่นะ่ยไม่ใช่เรื่องบุญกุศลเ<า>กี่ยวกับเป็นกรรมของแม่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะทําให้แม่ต้องขึ้นไปในขณะที่ลูกคนเล็กออกไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วตัวลืมไงมขณะเกิดเหตุลูกพยายามมาเรียกหาแม่แลายยาน้าที่ดับเพลิงก็ไปหาก็ไม่พบแต่พอขึ้นรถตํารวจลูกกลับมองเห็นแม่ยืนอยู่บนชั้นบนแในขณะที่ตํารวจมองไม่เห็นหาว่าลูกโหกนั้นลูกเห็นจริงๆจ้าไม่ได้ตาฝาด แต่ว่าคนอื่นมองไม่เห็นอีกทั้งแม่สำลักควันโดนความร้อนจังพยายามดิ้นรนออกมาจ้ะหลังแม่เสียชีวิตได้สามวันลูกกันาฝันตรงกันว่าแม่มาในยุดนอนสีฟ้านีนเกิเกิดเหตุเกิดเหตุนั้นก็เป็นเรื่องจริงจ้ะที่แม่มาหาทุกๆคนแต่ผู้ที่รับรู้ได้ก็มีแค่ตัวลูกกับคุณนาเท่านั้นหะจ้ะ ตอเด็กชาวบ้านเห็นแม่มากกว่าขยะหน้าบ้านนั้นก็เป็นเรื่องไม่จริงแค่ลือมตาเม็นตุเป็นตะท่า น, นั้นเองเลยจ้ะพ่อเคยไปเฝ้ารอพบแม่ถึงเชา้าอยู่หลายวันแต่ไม่พบเพราะแม่ไม่ได้มาวนเวียนอยู่ที่บ้านแล้วจ้ะก่อนเสียชีวิตแม่ก็มีความทุกข์สตวารมากดิน่นถรนตรายเพราะถูกไฟครอกจ้ะตายแล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันและเห็ น, หนได้สว่างในบุญกุศลที่ทําไว้ จึงทำให้ไปเกิดเป็นอากาศสเทวามีวิมานทองทั้งทั้งที่แม่ควรจะไปได้สูงกว่านี้แต่เพราะความห่วงลูกๆเนี่ยจึงทำให้ใจใสได้ไม่เต็มที่จ้ะเดี๋ยวรับบุญเทียวที่ไปให้แล้วก็มีทิพยายสมบัติเพิ่มขึ้นแม่ฝากข้อความมาว่าท่านมีความสุขสบายดีมากเดี๋ยวรับบุญท้งบุญแล้วแล้วก็หายห่วงลูกทุกคนแล้วจ้ะจะคิดถึงแม่ มันแม่ในําบุรติทิศมาให้ด้วยครับอันนี้แถมเ <c oughs> พราะจากบ้านมาตั้งแต่ยังวัยรุ่นต่อสู้ชีวิตลำแค้งตนเองแล้วทํางานนํามาตลอดชีวิตเพราะเพราะการตระหนี่นะแนวดีประสงค์ผลเจ้าเรื่องวิทยว่าชาตินั้นพอนะ่อเป็นคนเคยรวยเป็นพ่อค้าที่ร่ารวยแต่ทำมีความตระหนีไม่ทําทานไม่เคยเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการนาทานและผลแห่งทาน แต่ก็ไม่ถึงกสุดตรงท่านเชื่อว่าจะประสบความสาเร็จในชีวิตได้ตั้งหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นจ้ะจึงไม่ค่อยได้ทำทานนั่นแหร่พ่อถูกกระจกครอบทิม่มจนหน้าเละป่วยเข้า ICU ถึงสามครั้งและเรี่ยนที่สุดก็เป็นเจ้าชานิทราพระในอดีตพ่อเคยเกิดในสังคมเกษตรศกรรมในกาศไปค่ากินเป็นอาหารแล้วก็ขายเป็นประจาเป็นคาหลัก กับการที่เคยจ้ายนักเลงไปํำรายคู่อริมารวมส่งผลจ้าช่วงหกปีหลังพ่อ่ันเข่าห้องน้ำทุกถึงชั่วโมงจนหงุดหงิดใจเพราะเร่เบาหวานนั่นแหละเจ้าจะกิจกรรมฆ่าสัตว์ทั้งกล่าวมาส่งผลจ้ะคืนแรกที่พ่อมีอาการนิทราลูกยังไม่ทันทราบข่าวแต่ข่าฝันเห็นพ่อมายืล้อมมองลูกอยู่ตรงหัวเตียง แล้วในคืนเดียวกันนั้นก็มีเพื่อนบ้านเห็นพ่อมานั่งนาบานเช่นกันพระลูกจิตนิวรณมีความรักและละลึกถึงพ่อในควา ม, มหมงญ่จึงทําให้เก็บเอาไปฝันจ้ะส่วนพ่อบ้านนั้นเห็นคนอื่นเห็นคนอื่นแต่เข้าใจว่าเป็นพ่ออย่าไปเรื่องที่คิดเป็นตุเป็นตะท่านเองอย่าไปนสนใจเลยจ้ะคือสุดท้าที่โรสสามีไปเยี่ยมพ่อลูกเห็นพ่อสะบัดแขน และงอเขาพับได้แล้วหันหน้าเอียงมาทางลูกแต่คนอื่นซึ่งจ้องมองพ่อตลอดเวลาเช่นกันกับบอกว่ามองไม่เห็นอะไรเลยลูกตาฝาละลูกเป็นห่วงท่านมากจึงทําให้เห็นไปเป็นเช่นนั้นจ้ะตลัดสิบวันที่พ่อหมดสตินั้นออก็เหมือนคนหลับอยู่ในผาวงกายละเอียดเขายังไม่ได้หลุดไปไหนจ้ะพ่อตายแล้วด้วยใจที่ผูกพันกับแม่มากๆ พอถอดกายแล้วก็ไปเป็นอากาศเสเทวามีมิมานจะติด ก, กันกับแม่จ้ <Wow. S 1> พาพ่อกับแม่ก่อตายมีการทรมานคล้ายกันนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมส่วนตัวของพ่อกับแม่จ้า <Okay. S 1> ตั้งที่ได้กกล่าว ม, มาแล้วนีว่แหละคือพ่อจักรนักเลงไปทำร้ายคู่อริจน์คู่อริเป็นเจ้าชานิทราจนแม่กับจักรนักเลงเข้าไปจุดไฟเผาบ้านเมียน้องของสามีในชาตินั้น oh. จนเมียน้องถูกไฟครอกตายจ้ะ พ่อแม่เปกก็นลกตัญญูท่านทั้งสองจะส่งเงินให้พ่อแม่และส่งเสียเอาเป็นประจำบุญนี้ก็จะมีอ น, นิสงส์งในยอดคือได้บุญเลี้ยงดูบิดามานาและสงเคราะห์ญาติดังนั้นเมื่อบุญส่งผลก็จะมีลูกๆและญาติามาคอยช่วยเหลือท่า น, นั้งสองในยามที่ลําบากจะ้ะบุญที่พ่อแม่ทําเองและลูกหลานําให้ยังไม่อาจจะไปตัดราวมิบา ก, กรรมของท่านทั้งสองได้ บุญใหม่ที่ทำไว้ยังมีแรงส่งน้อยกว่ากรรมเก่าใช่ <kab. S 1> เหมือนต้นไม้ที่ปลูกนานแล้วจะให้ดอกผลมากกว่าต้นไม้เพิ่งปลูกใช่ <dev> กรรมเก่าเหมือนต้นไม้ที่ปลูกนานแล้วส่วนบุญใหม่นั้นเหมือนต้นไม้ที่เพิ่งจะปลูก <c oughs> ยังให้ผลที่หลังใช่ดูแล้วน้อ ง, น S. <S องสาวที่ศีราะปรามีกับโมณะมาได้เป็นของเสบียงประเภทบางทีก็ตามกําลังหลายครั้งก็เต็มกําลังจช่ ตอนนี้มาากกันจะกระลักให้ทังใจสร้างประมีเต็มที่ในทุกบุญท้าทิชานจิตตาลเต็วิริศวิรีวงมุนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะเดบัดกันเลยจ้าสายที่จะเป็นเรื่องราวของเคสสัตตีสั้นๆสำหรับคืนนี้